สีประทัด ต, ตูปชีวีคือพลังงานกําลังจะก่อตัวตนเท่านั้นคําว่าประทัด ต, ตูปชีวีคือพลังงานขั้นเริ่มกําลังจะก่อเกิดชีวะขั้นต้นเท่านั้นไม่ว่าชีวะของผีชนิยามหรือของกิจนิยามความเป็นชีวะเซลล์ ก็จะมีเหตุมีปัจจัยที่เป็นสมุทัยต่อเติมขึ้นเสมอหากสมุทัยไม่มีหรือสมุทัยดับชีวะหรือนิทานนั้นก็ดับไปเลยหรือเสื่อมไปตามกาลรัเพราะไม่มีเหตุปัจจัยอื่นชานี้แลคือพลังงานขั้นประทัดตูปะชีวีซึ่งไม่ใช่ไปหมายเอาพลังงาน ที่มีตัวตนเซลล์ที่โตที่ใหญ่เป็นชีวิตเต็มตัวตั้งขึ้นแล้วยิ่งเป็นภีชานิยามแล้วก็ดีก็ยังไม่ใช่ตัวตนขนาดนั้นยิ่งเป็นจิตนิยามกันเลยที่ไปเรียกกันว่าสัตว์เปรตอันเป็นพลังงานถึงขั้นปิติวิสัยภูมิแห่งเปรตแล้ว ยิ่งไม่ใช่เลยมันยังไม่ปานนั้นพลังงานของประทัดตัวชีวีนี้แค่พลังงานขั้นเริ่มจากก่อชีวะจากก่อจากอุตุนิยามขึ้นเป็นผีชันิยามก็พลังงานขั้นหนึ่งหรือจะ ก, ก่อจากผีชันิยามขึ้นเป็นกิจนิยามก็พลังงานอีกขั้นหนึ่งยิ่งขึ้นไป ประทัดตูปะชีวีคือพลังงานที่กำลังจะก่อตัวพัฒนาตนขึ้นไปอีกรอบหนึ่งของความเป็นธรรมนิยามแต่ละนิยามเท่านั้นยังไม่ใช่พลังงานของความเป็นตัวตนอัตตาเซลล์ที่มากกว่าเซลล์ปฏบมภูมิไพรมรีเซลล์นี่มันแค่ขั้นก่อเกิดพลังงาน จุดเริ่มต้นของชีวะต่างหากมันแค่พลังงานขั้นเชือ้อชีวะขั้นผริแท้ๆไพรเมอร์เซลล์หรือปฐมภูมิแห่งกรละละเท่านั้นยังไม่ถึงขั้นเพิ่มขึ้นเป็นสองเซคแนดอรเซลล์หรือขั้นทุติยภูมิแห่งอำ้ชะเลย